จรงวันนี้มีสามจอภาพจอภาพแรกกรบครัวสักดาธอนรีบไปททำงา น, งนทำบุญพิธีแทนจากคุณแม่จีราภาสังดาธอนอปราบหนปีคนแม่กาสปาที่สองครอบครัวของนายกิมอันนี้บ็บอกคนแม่ อุทส่นหนแก่ในเกมผูรองรับไปจะพาพัฒนาการตลาชาววันนี้ภาพที่สองจพาไป3อัยการเบินวันนี้จะทำบุญนักแก่คุณแม่อัาพันธ์แล้วก็จะถวายกระจายรวมสัมพันธสารางศาลาหลังที่สองมันก็เป็นทุนการศึกษาสมทบทุ์กองทุนการศึกษากองพระเนน ตั้งพระตั้งเลนในเรื่องการศึกษาเป็นสองเป็น2 อ, อย่างวันนี้เป็นสักครู่ไปทำพิธีถวายช่วงนี้เขานาหนาวแล้วการอย่างระวังโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะสูงบไม้วอากาศเปลี่ยนแปลง จริงมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงาการเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่เราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าของเราเห็นสิ่งเหล่านี้ที่นํามาบอกมาสอนอุปมาอุปไมยกเราณเห็นการเปลี่ยนแปลงท้อกับเปลี่ยนแปลงคือ อันนี้อย่งทุกอย่าง อ, น, าอ น, นุตานในความหมายที่เราจำจนนกเต่านกคุณทองเนะี่ยก็เจอเขาจริงจริงเก็ไม่รู้จักอะไรคือ อ, อันนี้อาทุกอย่างอนุตานและที่สำคัญคือ2องคำเนี่ยเปลี่ยนอั น, นี่คือคำคำ ค, ำคำแรกคำที่สคือปรับคำแรกคำว่าปรับ เราดูเหมือนธรรมดาแต่ถ้าเอาไปใช้เป็นทางการทางราชาการมันเป็นคําที่ตึงเต้นเป็นคําที่ยิ่งใหญ่ก็ ค, คาาําว่าปฏิรูป น, น, นั่นเองันคําว่าปฏิรูปพุทเจ้าใช้มาสอบกันกี่ปีแล้วคำว่าปฏิรูปก็คือปรับอะไรปรับได้ก็ปรับ ซึ่งเราสามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันมันมปรับไม่ได้ไมันปรับมก็อยู่ไม่ได้เหมือนตอนทะเลาดึงผ้าอากาศนี้เราจะไปใส่เสื้อบางๆเหมือนเดิมไม่ได้มันก็ต้องปรับเพื่อก้องปรับสภาพเพื่อสภาวะในหลายเรื่องที่ผู้ชก็ปรับเช่นวินัยอย่างนี้ก็เป็นการปรับปรับตัวเอง ทีมสคันคือปรับโทษ ด, ด้วยถ้าใครไปดูละเมิดหมายกวาว็ว่าพูดแล้วคำว่าพูดอันนี้คือสั่งวันนั้นคำว่าวินยัยถือว่าเป็นคำสั่งเป็นคำยีดองปฏิบัติก็มีอยสองเรื่องคือสิ่งที่พระ บ, บัญญัตเรียกพุทธบัญญัติอันนี้โดยตรงเลยคือห้ามคือวินัยของพระเป็นปริจจสังขาริเษ น, นี่เป็นต้นมันสำคัญอันที่สองก็คืออภิสิาจารย์คือปรับอาจารย์คือว่าประพฤติของพระอะไรที่มันเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรที่เป็นกิจกรรมารายากของชาวบ้านถ้าจะไปทำเหมือนชาวบ้านไม่ได้เจนยืนกินเดินกินอันนี้เป็นกิยจกรรที่ไม่เหมาะพระทําไม่ได้ อนเป็นต้อนอันนี้เรียกว่าปฏิปิโรรือป่าแล้วก็หลายเรื่องที่เกี่ยวกับของพวกนี้เรียว อ, อภิสมาจารย์นีคื อ, อยามารยาทแม่เสกกิยวัตรดึงกันแสดงธรรมดิฉันผู้ช่างเราละเอียดสอนแม้กระทั่งกิยามารยาทสอนแม้กระทั่งอุจระประสาวะสอนการดูแลซึ่งกันและกันเราจะไม่ได้่วยไม่ได้พูยทาเป็นตัวอย่าง มีพระองค์หนึ่งที่อ า, าพาธแล้วไม่ไ ม, ม่ใครอยากเขาใครเป็นตรมฟองแปดเน่าแฝดใครก็ไม่อยากจับผู้ชี่ยาธรรมเป็นตัวอย่างพาเช็ดตัวผู้เจี่ลงมือทาพระเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แล้วขณะผู้เชี่ยวางลงมือทำขนาดนี้ดูแลกันอันนี้คือเป็นตัวอย่างอันนี้เรียกว่าปรับในกรรมชีวิต ภาษาทางโลกเราปฏิรูปใช้ได้ภาษาต่อไปก็คือมันถ้าเปลี่ยนได้ดีอันนี้แค่ปรับแต่ถ้าเปลี่ยนเลย เ, เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ต้องเปลี่ยนในทางที่ดีนไอ้คำว่าเปลี่ยน เ, นยเป็นคำที่น่ากลัวเป็นคำที่เราไม่ควรจ้ใช้แล้วก็ไม่คุณแต่ถ้าเป็น ออกมาเป็นภาษาไทยเราฟังแล้วไม่อยากให้มันเกิดนั่นคือคําว่าปฏิวัติอันนี้เป็นฝรั่งเขาก็ใช้อย่างนี้นะปฏิรูปปฏิวัติแต่เขาไม่ได้ใช้ในทางที่ไม่ดีเลาวคาว่าปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนคือหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ว่าต้องใช้ในทางที่ดีนะไม่ใช่อย่างที่บ้านเมืองเราใช้กันนะไม่ใช่คนละเรื่อง แต่ถ้าปฏิวัติแล้วมันดีพูดอย่างไรคือเปลี่ยนแปลงได้ตัวบทกฎหมายหรืออื่นๆข้อบังคับนี่เป็นเรื่องที่ดีแต่ปฏิวัติในความหมายของเราไม่ใช่คนละเรื่องกันดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างปฏิวัติอย่างไงเริ่มต้นจากปฏิวัติเพราะพระุทธเจ้ามาได้ปฏิวัติคนอื่นปฏิวัติตัวเอง เริ่มต้นจากความรู้ความสามารถที่มีอยู่ผู้เจ้าไม่ใช่คนไม่มีความรู้นะไม่ใช่คนไม่เรียนหนังสื อ, อใครที่ไม่ชอบเรียนหนังสือลังเกียดปริยัติเนี่ยหัวใจปิดผู้เจ้าเป็นคนเรียนเราเรียนเยอะภาวิชาในสมัยนั้นศิละปะทุกแขนงโหราศาสตร์ด า, าราศาสตร์ประกาศปกครองการรบคือครบทุกดาหน้าพูดยังไง คือพระยาแต่ที่คือสมบัติพระสถานฐานะทางสังคมฐานะทางบ้านเมืองผู้เจ้ามีทุกอย่างแต่สุดท้ายพระโอกระปฏิวัติตัวเองเห็นพระราชามาก็าสารดูดูอย่างดูหนาวนี่ก็อีกอยู่ีกประสาทแล้วหนึ่งดูร้อนพดงดไงก็อยู่บ้านหลังหนึ่งดูฝ น, นบ้านหลังหนึ่งแล้วประสาทสามดูดูดและทรัพย์สิน เดี๋ยวภพอสัพที่มีอยู่เหลือเพื่อขุมทรัพย์ทั้งสี่ทิศที่จะสมบัติไว้แล้วเหตุใด้พระองค์ละหัน ห, หลังออกจากวังออกจากวังเพื่ออยู่ง่ายๆกินง่ายๆอยู่ก็อยู่ป่าบางครั้งก็อาศัยลิงอาศัยช้างอาศัยคนไมได้พูะจ้าก็เบื่อ เบื่อตรงนี้แหละเบือ่อเหตุจากไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเหตุจากเรื่องของพระธรมรมมติอ่อนอย่างพวินัยทอนพระวินัยทอนคือพระที่ตัดสินเรื่องวินัยเวะลาไม่เรื่องวินัยก็จะเป็นพระประเภทนี้ก็คือพระวินัยทอนส่วนพระธรมรมมริอคือเวลาเรื่องขัดข้องเรื่องข้อธรรมะมีคทบบอทะเลาะเบาแวงมีคงเห็นไม่ตรงกันก็พระนําคำพูดตัดสิน สรุปว่าพระเวนัยทรพระธนทรมันก็คือทะเลาะกันแล้วอุจจาระเปิดง่ายก็คือตอันเรื่องขี้นะพระเวนัยทรนก็พอมีในว่าจะปรับเป็นให้อย่างเดียวทะเลาะกันทีนี้ต่างคนต่างถือหางกันพระเวนัยทอนก็มีลูกศิษย์เยอะพระธนทรเป็นลูกศิษย์เยอะมันเหมือนกับพระสมัยนี้แหละเปนพระหมาพระแมวพวกเราคางคนได้ยินบางวัดหลวงตาค์หนึ่งก็เรื่องมา องตหนึ่งก็เรื่องแมวหมากับแมวกัดกันเอาดนรอดหนึ่งพระเรื่องข้อหมาข้อแมวนะเจ้าของหมาจะคอยทะเลาะกันพอทะเลาะกันไม่ใช่แค่นั้นะต่างคนต่างถื่หางกันเห็นไหมเรื่องม่เป็นเรื่องห้ามกันแล้วฉาบ้านกันแล้วจึงเป็นที่มาของที่บูจชาเอาหนีไปอยู่อาศัยช้างใยละยะกับลิง นี่เราอยู่ป่าอราเซลิงกับช้างต้มน้ำํำอาจารยช้างกับตนโผ่ต้มน้ำเก่งนะช้างต้มน้ำร้อนน้ำจาระอาจารย์เลีเล้งก็หาอาหารหลังพึ่งหลงพึ่งก็ไปหาหลังพึ่งหาพระเจ้าแต่ก็เอาเอาออกเลยนะเอาแม่แม่มันเอาออกถ้ามันออกไปหมดก็สังเกตดูว่าเสร็จแล้ว ไปถวายเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าจะฉันนั้นเขาเราไหมก็มานั่งดูพระเจ้าพิจารณาแล้วมันย่อมมีตัวมันดูฉันก็ไปฉันเจ้าหลงก็มาเอาก็ไปเอาออกไหมพอพระเจ้าพิจารณาแล้วมันไม่มีแล้วฉันนับเรื่งแห้ฉันเสร็จก็ดีอกดีใจกระโดดโดดเต้นตกลงมาตัวของตอตายเจ้าหง ที่ใครที่เกิดวันพุธจะเห็นปังเละกับลิงกับช้างถวายดวงพึ่งไอ้เจ้าช้างกหมวันกันงถวายรับใช้มีนาบาทมาถึงต่างมระทรวงปริชาวินาบาทได้รับบาตดูดีช้างน่ารักขนาดไห น, นอันนี้คือจะมาคือปริชาว่าอาศัยพวกนี้คูอพูดถึงไงก็คือเป็นพระราชามหากษัตริย์ต้อง อาศัยชาวบ้านเขกินยังไงก็กินอย่างนั้นกินแก่เมื่อเดียวแล้วก็ทํางานทํางานหนักมาตลอดเวลาเวลาสี่สิห้าพรรษาสี่ห้าปีในหลังจะตัดโุแล้วพวกผก็ทํางานทํางานหนักจนเวลาสุดท้ายในวัยแปดสิบปีก็ยังเดินเดินอยู่ทางสุดท้ายเดินจุนวันสุดท้ายเดินชุนในวัยชนนอนลองท่ากางไม้ตาลทาั้งสูดแล้วทุกอย่าง มันมีที่มาที่ไปในยุคพวกเราไปไปตะกุยจานภาษาวกวิจารณ์ครูเกศเกลีมันเอาความรู้ก่อนสมาธิมนไปวิจารณ์บางเขาบอกว่าทศนาีการแรกครูเกลียวเหตุแล้วประสบความ ส, สด็จทําไมไม่เอาคนมาขยายผลนักวิชาการนักวิชาเกาิอนเขาไม่รู้แร้วว่า แต่คนที่ฟังเพลกันแรกนะเราถือว่า ท, ทุกอย่างมันไม่มีเหตุบังเอิญมันมีที่มาที่ไปแต่และคนแต่และท่านที่ฟังที่เคยที่กันอย่างเนี้ยปรารถนาทําความดีกันไม่รู้กี่พวกทิชาติมาแล้วคือบารมีท่านใกล้จะเต็มแล้วแต่เป็นน้ําในองค์ก็ตักขันเดียวก็เต็มล้นล้นแล้ ว, ล ว, ลวซึ่งตางกัพวกเรา แต่อย่างใส่ก็เหมือนมันต่างกันพัสนาบารมีแล้วก็ดีไซน์มันไม่เหมือนกันแต่พระองค์รู้ว่าที่ผ่านมาในอดีตญาตแต่และคนทําทอย่างไรทำในเรื่องที่จะต่อแล้วปรารถนาอะไรไว้ความประสมแต่และคนมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นใครจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับพูดเจ้วเกี่ยวกับสาระก็ต้องระวัง ระวังมากๆนะครับราระดาผมมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดความรู้แค่หางอื่นบ้าอาจไปวิจารณ์ท่านจะเป็นอันตรายในเรากำลังพูดถึงเรื่องอปฏิรูปนะพูดกับปฏิวัติคือปฏิวัติตัวเองเลยดีปฏิวัติคนอื่นเรื่องจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมเป้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับที่มีอยู่เอาออกหมดผมก็โกน คกิการโกนในสมัยนั้นก็เือว่าบเขาไม่ทำกันเป็นคนผิดปกติโกนๆแล้วอากาศมันก็หนาวอินเดียสมัยก่อนเราไมาดูมันไม่ใช่อย่างนี้สภาพเราไมมีอากาศแบบผ้ากับผ้าบางๆเราคงไปเห็นผ้าอากาศไปอินเดียกว่าเห็นผ้าห่มผ้าหนุ่มผ้าห่มเราเราผ้าซาดดผ้ะนุ่มผ้าห่มก็บาง เนี่ยค่พระเจ้าต่างอาวยานีใช้ภาษามฝืนเรว่าสังขติที่เป็นตัดกันสงแผ่นก็เพื่อมาห่มตัวบรรเทานนว่าสังขติก็ขาดไม่ได้ไปไหนตกไปพวกไปนะครับปรปปัติที่ขาดไม่ได้นึงก็คือของหายยากสองเพื่อเพื่อจะใช้ได้ทันสามก็คือขโมยเอราะมองหายยากยากมากๆไม่ยากธรรมดาเราคอได้อื่น ปรพราหมณ์คนหนึ่งจะ อ, อยากทําบุญกับพูฏิเจ้าไม่มีอะไรเลยผ้าที่จะห่มก็เปลี่ยนกับเมียถ้าวันนี้ภรรยาไปวัดก็เอาห้าตัว น, นี้นเป็นหอมเอาภรรยาหมอมตัวเองก็ไม่ได้ห่มอะไรลำบากขนาดนั้นถ้าวันนั้นตัวเองอยากไปก็ฝ่ายสามีก็เอาสาไว้หอมภรรยาก็ไปไม่ได้วันหนึ่งมาเรื่ว่าเอเราทํามมันตุกยากลําบากเห ล, ลืเกิน จะเอาอะไรถาวายแล้ก็ไม่มีไม่มีบางส่วนเขาผ้าของใหม่ๆก็ไม่มีจะไปซื้อมาก็ไม่มีถ้เราจะผ้าสะดกเตี่ยวห อ, อมเนี่ยสละสะดกก็คือผัวก็ไม่มีเมียก็ไม่มีสลับผ้าสะดกให้ผู้ที่ทจะโดนแตอันในสองแรงแรงคือเกิดปฏิรูปคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนตัวเองสะโดก็คือตัวเองก็ไม่มีค่ะนั่นคือกฐาเดี่ยวอันในสอง ที่ทํ า, ทากับพระพุทธเจ้าทางสภาอริยะราวกับอาสองฆ์แรงสุดท้ายเกษตธีราชามาก็เห็นความสําคัญว่าโอมีวิชาแดงแปดก็มอบเงินก็ฟองให้กลารเป็นเศรษฐีทางพุทธเจ้าได้ผลต่างๆนี่เราเห็นว่าพุทธเจ้าของเราหลังจากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแต่ปรับเจนขิงข้าวเนี่ย สอมือสามก็หรือมือเดียวอันคือปรับแล้วก็เปลี่ยนอนนี้มาดูกับพวกเราในชีวิตประจำวันของเราอะไรที่เราจะใช้กับคานี้ได้เป็หนึ่งคือปรับสองคอเปลี่ยนอะไรที่มันปรับได้ก็ควรจะปรับอะไรที่เปลี่ยนได้ก็ควรจะเปลี่ยนส่วนที่ปรุงเนี่ยให้มันน้อยลง วันเราลำบาก็ปรุงนี่แหละปรุงแต่งกันเข้าไปอร่างเดียวสังขารแต่ขานไม่ได้แปลว่าร่างกายคือขวาปรุงแต่งแล้วก็สุขทุกข์เพราะปรุงแต่งนี่แหละแต่ตัวเองก็ไม่รู้ปรุงอะไรแต่งอะไรปรุงแล้วเป็นยังไงมันสุขมันทุกข์มันเฉยเฉยนี่ตัวนั้นแหละจะเรียกว่าสติเพราะสติเราไม่มี เพาะงันนการปฏิบัติธรรมของเราต้องการให้เราบ่างให้เรามีสติตรงนี้แหละเรากำลังปรุงอะไรคือกำลังคิดอะไรในขณะนั้นคิดไปไหนคิดเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องคิดเรื่องที่มันเป็นเมื่อวานคิดเรื่องของพ่งนี้แต่เรื่องปัจจุบันมันไม่มีน้องส่วนใหญ่ที่เราคิดก็เรื่องที่มันจบไปแล้วมันแล้วไปแล้วแต่ขอที่ดีก็ไม่ค่อยจะคิดด้วย นี่ยคือปัญหาของพวกเราปรัญหการปฏิบัติก็คือต้องการให้เรา เ, อาเดอสังวรสํงงรารวมปุจจารก็ใช่คําว่าสังวรก็คือสํารวมคือระมัดระวังซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะันคือเกิดเบื้องตน้นเพราะนั้นจริง ท, ที่เราทำเรียวพิธีกรรมพิธีเกิดมาหลายเลยเตั้แต่ว่ายพระจมาสมทานเสร็จก็เนี่ยทำการให้เราเตรียมตร น, น, นคือคือปรับแล้วก็เปลี่ยนคือปรับตัวเอง สภาพ้าอยู่ในะระเบบะครับปกติพราะนั้นสองคำนี้คือปฏิรูปอะไรที่เราเองปฏิรูปได้คนปฏิรูปในชีวิตปัจจุบันหรืออะไรที่มันกับเกี่ยวกับชีวิตเราอะไรที่มันควรจะเปลี่ยนแล้วได้มั้งควรจะปรับได้ได้มังยังไม่ปรับยังไม่เปลี่ยนวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนเมื่อหมดลมหายใจแล้ววันนั้นเราก็มองไม่เห็นแล้วจะจึงไป็ว่าคนตายจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ คนตายจะไม่มีาการปรับไปเห็นการเปลี่ยนได้เห็นการแปลงมีแต่คนเป็นเท่านั้นนะไปถืเห็นของพวกนี้แต่ว่าเราเห็นแล้วมันไม่เกิดปัญญาเราก็ได้แต่สัญญาที่เรลวงพ่าพูดไปจําว่าระหว่างสัญญากับปัญญามันต่างกันคนฟ้าคนดึงสัญญามันเรียนรู้กันได้มันจำกัได้มันฝึกกันได้เรียนที่เราเรียนนี่แหละเราเรียนเราจํากันมาอันนี้คือสัญญาไม่ใช่ความดี เรียนเยอะเรียนมากรู้มากก็ทุกมากเพราะไปยึดอูประธานที่มันยึดกูพาะมันอากที่เราเรียกเรายึดยึดเกิดจากอยากภาษาเราง่ายๆยึดเกิดจากอยากโอเคนี่เองพราะยากแล้วก็ยาวอะไนี่ยาวคือพบจาิอันนี้คือความหมายยึดอยากแล้วก็ยาวสามคำนี้นต้องระมัดระวังถ้าอยากเมื่อไหร่ อยากอะไรก็ต่างจะเกิดความยึดคืออุปทานอยากคืออะไรคือตัณหาอยากมีมันมีอยากเป็นมันเป็นอยากได้มันไม่ได้อันนี้คือความอยากผู้จะเาเรียกว่าต้นต่อต้นต่อของความทุกข์นี่คือต้นต่อนะก็เรียกว่าเหตุเหตุของต้นอุปทานกิยึดเนี่ยกระผลละกระผลขึ้นมาต่างยึดต่างถือซึ่งกันและกัน คืทุกขะคือความลำบากก็จะตามมาเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆคือมันไม่ใช่เรื่องลึกรับซับซ้อนแันเรื่องที่เรารู้เราเห็นเรประจําอยู่แล้วแต่ว่ามันอย่างเดียวคือมันไม่เกิดสติปัญญากันเองเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเข้าวัดฟังธรรมจำถิ่นภาวนาวัดไหนก็แล้วแต่ต้องการให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ในขณะที่เราเป็นอยู่เนี่ย มื่หมดลมหายใจแล้วก็แล้วคนตายแล้วประโยชน์แล้วได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์จากร่างกายที่มีอยู่ไม่ได้อะไรเลยก็มีมากระดานไหนเป็นมากระดานไหนมันก็ไม่ประโยชน์อะไรเลยก็อันนี้คือสิ่ที่พุเทเจาฝากสิ่พุท้ศึกษาเราเรียกว่าวิจัยถ้าเป็นงานก็บอกงานวิจัยผู้ธเจ้าลงไปทําเองนะทําเองทดสอบทดลองผู้ธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาอยู่6ปีก็จะประสบความสาเร็จ ทดสอบทดลองยุคนั้นก็ทําอะไรทําหมดทาไม่ทําก็เป็นข้อรหาไว้ก็ใช่แต่พระเจ้าไม่ผ่านกันทุดลองความเชื่อในสมันั้นพวกนี้จะทำหมดทุกอย่างไม่อระดิกไม่ทําเพราะฉะนั้นก็ยา้ายพวกเราทั้งหลายหนึ่งพวกเราอยู่ได้เพราะสองอย่างหนึ่งคือความเชื่อ เจ็ดดวงวัน2คือความจริงจะถามพวกเราว่าระหว่างความเชื่อกับความจริงเราอยู่กับอะไรส่วนใหญ่ก็จะอยู่ความเชื่อแมก้กระทั่งเชื่อต า, ตามกันมาเชื่อตามที่เรียนรู้ตามวิชาการตามประสบการณ์ของตัวเองอันนี้คือความเชื่อ แม้แต่ทางศาสนาก็ตือนขาเป็นความเชื่อนทุกศาสนาก็จะเริ่มต้นที่ความเชื่อเองเจ้าจงศาสนาอื่นบงังคับให้เชื่ออย่างนี้เลยเชื่อเกิดไปไม่ได้เชื่อว่าเบื้องบนมีจริงไปดูถูกไปประมาทไม่ได้สสสสนนเจ้าจงเชื่อทุกศาสนาเนี่ยเราก็อยู่กับความเชื่อแล้วเราก็อยู่กับความเชื่ออันนั้น สอนอย่างไงตำราอย่างไงเล่าต่อต่อกันมาเราก็เชื่ออย่างนั้นไม่เว้นแม้แต่พูทคิดอิสระแต่ เ, เขาเน้นความเชื่อยอย่างเดียวนะแต่ครั้งเราไม่ได้อยู่กับความเชื่อยอย่างเดียวให้เราให้อยู่กับความจริงความเชื่อนั้นมันเป็นความจริงไหมความจริงนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อเราไหมอันนี้ต่างหากที่จะเป็นประโยชน์ จะเอาเชื่ออย่างเดียวโดยที่ไม่นึกถึงความจริงเลยความจริงตัวแป๊บมันนะความจริงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่ได้ยืงนงันตลอดความจริงที่ตายแล้วเอาไปฝังก็คือเชื่อว่าวันหนึ่งเบื้องบนจะเอาจะรับเอาไปรับความจริงเป็นอย่างนั้นความจริงที่หลายพันปีมานี้เคยรับไปอยู่ไหมอันนี้คือความจริงนะ น, นี่เราไม่ได้คัดค้านเพียงแต่ ชี้ให้เห็นว่าความจริงมันคืออะไรแต่ของเราไม่ใช่ของเราระบอบนะคือดินหน้าไฟล้อมมันคือธาตุอยู่บนโลกแบบนี้มันไปไหนมตัวที่ไปมันคือจิตไม่เคย ร, รับใครไ ป, ไปไปอยู่ด้วยทงนนยยางนั้นอ่ะไม่มีแต่พวก็อยู่กันอย่างงั้นจนไม่มีที่จะฝังแล้วบางทีตงสร้างเป็นตึกชั้นๆเพื่อเอาไว้เพื่อเอาไวา้อันนี้เขาเรียกว่า ควาเชื่อกับความจริงมันหยุดตัวนี้แหละนี่กลับมาสู่พวกเราตั้งหลายว่าตอนเนี้ทุกวันนี้เราจะอยู่กับความเชื่ออย่างเดียวเลยอยู่เชื่อต่ามกันมาคําล่อทำเนียมประเพณีที่ปฏิ ม, มามันไม่ใช่มันไม่ดีนะดีบางอย่างบางอย่างมันก็นเยอะไปมากไปเราควรจะปรับไหมเราควรจะเปลี่ยนไหมเราควรจะปฏิรูปไหมเราควรจะปฏิวัติไหมคําเหล่านี่ผู้เชี่ยใช้มาหมด นักผู้เงเราถึงบอกเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดากันทั้งหมดเนยฝากพูกเราว่าอย่าไปอยู่กับความเชื่ออย่างเดียวบางทีกลายเป็นความงมงายแม้แต่จะาปูกอย่างไหวนนะ ก, ก, วกวนันน่ะปักทูบเสร็จก็ไหวไปจ้าปูกไหว้ต้นไม้นักก็ความเชื่อนะ่ะเป็นความเชื่อเหมือนกันนะถามว่าความเชื่อทีไรถามไปสูจุดยังไงจริงไหมเท้ไหมตอบไม่ได้ในกระดาษบอกผู้ผเชอเลยเออกมาตรฐานเอายังงี้ไหม ถ้าเราจะเชื่อของพวกนี้ยเรามุ่งไปที่พระราตระไตรเป็นหลักได้ไหมไอ้เราเชื่อแต่ก็เชื่อกันไปมันห้ามกันไม่ได้แต่ว่าจากนี้ไปพา ร, ราตนะไตรต้องเป็นความเชื่อเป็นหลักหลักก็คือหลักคิดหลักพูดหลักทำแค่นี้ถ้าเรามุ่งไปที่ ร, ราตรังตรเป็นหลักเกี่ยวกับที่มาพูดต่างตรมังสังกรรัรแสดงกระจานี้เนี่ยก็คือที่มา ว่าในตํแหน่งเรามีความเชื่ออย่างนี้ถ้าจะเชื่อนะไม่เชื่อโดยไม่มีตัวไม่มีตนโดยพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยอันนี้คือความเชื่อแต่ที่สาคัญคือความเชื่อนะมันต้องเป็นความจ ร, จงรงิงเราต้องเห็นได้พิสูจน์ได้ด้วยตวนเ <c oughs> องดังนั้นตอนนี้ก็ฝากพวกเราว่าเราจะอยู่กับ ค, ความเชื่อก็ จ, จะอยู่อย่างนี้ไปจัตามกันไปสํานักนั้นสํานักนี้สำนักน้นอันนี้ก็คือคุณเชื่อไม่ไม่เว้นแบบแต่สานักเจ้วทั้งหลาย ก็ไปไปกันตามไปอันนี้คือความเชื่อเหมือนกันแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นเลยผีใ น, นก็เหมือนกันผีตัว น, นั้นผีตนนัวนี้ผีตัว น, นู้นยกความผีมันเก่งกว่าก็าช่วยไม่ได้ผีมันเก่งกว่าคนอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่สมมติเป็นรัตนนัตถายงจบเาแก้ปหาตัวเองได้แก้ปัญหาจีแวงตัวเองได้แสดงสองอย่างคือความเชื่อกับความจริง ต้องอย่างน้อยท <c oughs> ี่จอก็เคยสนทนกันก็ยังดีแต่ไม่เอาความจริงเลยเอาความเชื่อย อ, ยอย่างเดียวอย่างเลยนี่ลำบากการฝา ก, ากาพวกเราทุกคนว่าจะอยู่กับความเชื่อหรือจะอยู่ความจริงก็แล้วแต่เราแต่อยู่ความเชื่อบางก็ผดมังอีกแบบที่อยู่ความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นเราก็จะอยู่สบายถ้ารับยอมรับความจริงไม่ได้ อะไรที่เป็นความจริงเรายมรับไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่อยู่กับความจริงก็คือปฏิเสธความจริงนั่นเองอันนี้ก็ลำมาก น, นี่คือกติพาคิดฝาพวกเราในหรับชาววันนี้